พระนที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมสองโคริน์บทที่13ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6ความว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สมที่ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพวกท่านข้อกล่าวหาใดๆต้องมีพยานสองสามปากจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ข้าพเจ้าได้เตือนท่านที่ทำบาปมาแล้วและบันดาคนอื่นๆด้วยและบัดนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอีกข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านเหมือนกับเมื่อข้าพเจ้าได้อยู่กับท่านในครั้งที่สองนั้นว่าถ้าข้าพเจ้ามาอีกข้าพเจ้าจะไม่เว้นการติโทษคนเหล่านี้เลยเพราะว่าท่านทั้งหลายต้องการที่จะเห็นหลักฐานว่าพระคริสต์ตรัสทางข้าพเจ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงอ่อนต่อท่านแต่ทรงริมากในหมู่พวกท่านเพราะว่า ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงถูกตรึงเพราะทรงอ่อนพระองค์ยังทรงพระชนอยู่เพราะฤทธเดชของพระเจ้าเพราะว่าเราก็อ่อนด้วยกันกับพระองค์แต่เรามีชีวิตเป็นอยู่กับพระองค์เพราะฤทธเดชของพระเจ้าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สานึกหรือว่า พระเยซูคริสต์ทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชั น, นสูตรข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แพ้การชั น, นสูตรขอบคุณพระเจ้าสําหรับคณะนัร้รองของกฤษกรวัฒนานะครับที่ได้ถวายเพลงซึ่งมีเนื้อความที่กินใจมาก พี่น้องครับในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพิจนารณานตัวเองหรือการที่เราทั้งหลายจะเข้าสู่ธรรมซึ่งทําให้เราทั้งหลายต้องถอยหลังกลับมาดูชีวิตของพวกเราทั้งหลายหัวข้อที่ผมจะนํามาเทศนาในวันนี้ก็คือหัวข้อที่เรียกว่าเซลฟี่นะครับเซลฟี Self ่ free. พี่น้องครับในพระชนน์ของพระเจ้าซึ่งผู้ปกครองได้อัญเชิญไปนะครับ ในข้อที่ห้าของสองโคเดนบทที่สิองได้กล่าวว่าจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองเพราะท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านจะไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ในพระมีข้อเดียวกันนะครับมีคำว่าพิจารณาพิสูจน์ถึงสครั้งด้วยกันแสดงว่า การที่เราทั้งหลายจะต้องกลับมามองชีวิตของเราในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี่เป็นความจําเป็นมากเพราะว่าชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในโลกนี้นั้นหลายหลาครั้งทีเดียวก็แปดเปื้อนไปด้วยมนทินแปดเปื้อนไปด้วยความคิดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในน้ำปฐัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเซลฟี่จิตวิ ญ, ญญาณของเราจึงเป็นหัวข้อในกรรมเทศนาของข้าพเจ้าในวันนี้ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูก่อนว่าคําว่าเซลฟี่นั้นแปลว่าอะไรเซลฟี่นั้นคือการถ่ายรูปตัวเองครับพี่น้องเห็นไหมครับเวลาที่ไปตามห้างต่างๆเราเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะยกมือถือนะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปตัวเองนะครับเซลฟี่คือการถ่ายรูปตัวเองจากกล้องที่ติดอยู่กับกล้องถ่ายรูปมือถือหรือโทรศัพท์มือถือนะครับเราครบว่ามีการใช้ศัพท์คํานี้เป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2 5 4 5ัซึ่งตรงกับปี2002นะครับ ที่ประเทศออสเตรเลียและหลังจากนั้นก็จะมีการบรรจุศัพท์คำนี้นะครับใน Oxford Dictionary และจัดเป็นคำศัพท์แห่งปีนะครับเป็น The Word of the Year นะครับในปี2013ซึ่งก็ผ่านไปประมาณ3ปีแล้วพรานั้นครับมีนักจิวิยาคนหนึ่งชื่อดร Pamela Rat ได้บอกกันครับบอกว่าจากคนที่ทำเซลฟี่นะครับแสดงว่าเขามีพฤติกรรมการถ่ายรูปตัวเอง ซึ่งในการวิจัยนะครับทางฝั่งอเมริกาและฝั่งยุโรปตะวันตกบอกว่าคนที่ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองขึ้นเฟซบุ๊กบ่อยๆนะครับมีแนวโน้มจะถูกคนรังเกียจและแสดงออกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีปมด้อยในใจนะฮะถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ครับเหตุผลประการแรกก็คือท่านอธิบายว่า ทำไมคนที่โพสต์รูปเซลฟี่ของตัวเองมีแนวโน้มที่จะถูกสังคมรังเกียจเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมามีสั น, สนชาตยานของการแข่งขันเพราะฉะนั้นคนเราไม่มีใครอยากจะให้คนอื่นสวยกว่าเรานะฮะรวยกว่าเราหรือเด่นกว่าเราเพราะฉะนั้นคนที่โพสต์รูปเซลฟี่ตัวเองคนคงจะไม่มีใครเลือกรูปที่เพิ่งตื่นนอนนะหรือกําลังงัวงเงียหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สวยขึ้นมา ที่ Facebook แน่นอนอันนี้เป็นประการแรกครับมนุษย์เกิดมาเราต้องมีสัญชาตญาณของแข่งขันเราไม่อยากให้คนอื่นสวยกว่าเรานะครับเหตุผลประการที่สองก็คือว่าคนส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดียนะฮะไม่ได้อยากจะรู้อยากจะดูภาพเซลฟี่มุมเดียวของเราหรอกรเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆลายคนนะพี่น้องสังเกตดูเราเห็นวัยรุ่นที่กาลังถ่ายเซลฟี่เนี่ยเขาจะมีมุมนะครับมุมที่สวยที่สุดของเขาอยู่มุมหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า เป็นมุมแห่งดวงดาวนะมุมแห่งดวงดาวก็คือจะต้องอยู่ข้างบนนะนะอยู่ข้างล่างนี่ไม่เห็นนะครับอยู่ข้างล่างจะเห็นหน้าอ้วนแตนะอยู่ข้างบนเนี่ยจะเห็นหน้าเรียวหน้าสวยเพราะฉะนั้นมีมุมหนึ่งที่คนเรามักจะถ่ายเซลฟี่และนี่เขาเรียกว่ามุมแห่งดวงดาวซึ่งฉันจะสวยงามที่สุดในมุมนี้เดี๋ยเห็นนี้เองนะครับจึงทําให้คนเราก็จะเบื่อเบื่อว่าทําไมคนเนี้ยเวลาเซลฟี่ตัวเองนต้องมีรูปนี้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้น พี่น้องครับคนที่คอยโพสต์รูปตัวเองนะครับแล้วมาดูว่ามีคนกดไลค์เท่าไหร่มีคนกดไลค์สักเท่าไหร่นะครับแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมีเรียกว่าความเคารพหรือเห็นคุณค่าของตัวเองต่ําเพราะอะไรครับเพราะต้องการให้คนกดไลค์ตัวเองนะครับฝรังร่งเขาเรียกว่า low self-esteem ก็คือว่าพยายามที่ให้คนกดไลค์ตัวเองเพื่อว่าเราอยากจะรู้ว่ามีคนชมชอบเราขนาดไหนนะีหรือ บางคนนั้นอาจจะมีภาวะซึมเศร้านะฮะก็โพสต์ขึ้นไปบ่อยๆพต์ขึ้นบ่อยซึ่งเซลฟี่ตัวเองนะั้นก็ทำให้โลกออนไลน์เนี่ยรู้สึกไม่ชอบพี่น้องครับเราจึงมีคนที่โพสต์รูปตัวเองแล้วเขียนบรรยายว่าวันนี้หน้าหน้าฉันโซมจังเลยนะแต่ว่าดูดีมากนะในใจจริงๆนะครับอยากจะให้คนมากดไลค์ครับนะและเขียนกับคอมเมนต์ว่าไม่โซมหลอกออกจะสวยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องครับ อันนั้นเป็นสิ่งที่เราทำในโซเชียลมีเดียนะครับหลายลคนก็หัวเราะเพราะว่าเราเคยทำมาก่อนเซลฟี่ตัวเองเนี่ยนี่ครับในมุมมองของนักจิตวิทยาฝรั่งนี่เขาบอกว่าเป็นคนที่เคารพตัวเองต่ำคนที่เซลฟี่ตัวเองบ่อยๆพี่น้องต้องฟังตรงนี้นะครับม้อยว่ายงไงครับเซลฟี ie, ่กลายเป็นหนึ่งในศัพท์ที่มาแรงที่สุดในปี2013ถึงขั้นมีการบัญญัติศัพท์นี้ใน Oxford Dictionary เลยทีเดียว เซลฟี่นั้นมีลักษณะเป็นคำนามครับเวลาเขียนนะครับก็ต้องเขียนให้เป็นคำนามนะฮะนะพี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าคำว่าเซลฟี่นั้นมีความหมายทางจิตวิญญาณว่าอะไรบ้างคงเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับโดยพาะอย่างยิ่งคนที่เคร่งครึมคนที่เคร่งครึมนั้นท่านทั้งหลายไม่ค่อยได้เห็นเขาถ่ายเซลฟี่แต่หน้าแปลกทีเดียวนะครับบุคคลระดับโลก 3ประเทศนะครับประเทศที่มีอิท ธ, ธิพลมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาเดนมาร์กและยูเคสาราชันนจกักพี่น้องเห็นไหมครับทั้ง3ท่านในภาพมุมขวาข้างล่างเนี่ยกำลังทําเซลฟี่ตัวเอง3คนนะฮนะและก็ภาพข้างบนครับเราจะเห็นใครครับพี่น้องครับป๊อบนะครับป๊อบก็ยังเซลฟี่โป๊อบเป็นผู้นําของชาวคริสต์โลมินคาลิกกว่า 1,200 ล้านคนทั่วโลก และนี่เป็นโปรไฟล์พิกเจอร์ที่เรียกว่าสุดเจ๋งในเฟ e บุ๊กแสดงว่าเซลฟี่นั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์คล่องข้างมากนะครับแท้จริงแล้วหัวใจของเซลฟี่จริงๆคือการถ่ายรูปตัวเองในเวลาในช่วงเวลาที่รู้สึกดีกับตัวเองเวลาที่คนเศร้านะครับคงจะไม่ถ่ายเซลฟี่ แต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกดีกับตัวเองนะครับเราไม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสถานที่ที่สวยงามเราจะมึงมีอารมณ์ดีเรากำลังอยู่ในระหว่างเพื่อนฝูงนะเราก็ถ่ายเซลฟี่สแสดงว่าการถ่ายรูปตัวเองในช่วงเวลาที่รู้สึกดีกับตัวเองด้วยความเคยชินและสบายใจผู้คนกับผู้คนรอบข้างสังคมรอบข้างนะครับและมีความเป็นโซเชียลมาก เรากําลังเปิดรับกระแสใหม่ๆในการแสดงออกถึงตัวเองความเป็นตัวตนตัวเองในทุกที่ทุกคนให้กับทุกคนรู้จักเราทั้งหลายอยากจะมเเเีเราอยากจะมีความต้องการหรือเป็นศูนย์กลางของความสนใจอยากจะได้ยินคําตอบรับเชิงบวกจากคนที่อยู่ในโซเชียลออนไลน์หรือโลกออนไลน์ผ่านทางกดไลค์หรือกดคอมเมนต์อย่างนี้นะครับพี่น้องครับ9กหนึ่งของวัฒนธรรมในโลกดิจิทัลในสมัยนี้ ท่านใดที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือไม่เคยทำเซลฟี่ท่านลองทำดูนะครับท่านจะมีความรู้สึกอย่างที่ผมเล่ามาบทเรียนทางฝ่ายจิตวิญญาณเรื่องของเซลฟี่มีอะไรบ้างวันนี้ผมอยากจะข อ, อนำเสนออยู่3เรื่องด้วยกั น, นครับบทเรียนแรกก็คือเราเห็นใครในเซลฟี่เราเห็นใครในเซลฟี่ตัวตอนออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตจริงมันเหมือนกันหรือเปล่าครับ เราทั้งหลายคงจะบอกได้ว่ามันคงไม่เหมือนกันเพราะว่าภาพแห่งดวงดาวหรือมุมแห่งดวงดาวเนี่ยนะครับเป็นมุมที่สวยที่สุดซึ่งเราอยากจะให้คนอื่นเห็นแต่เราไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นนะครับมุมที่เราไม่สวยเพราะฉะนั้นถามว่าเราเห็นใครในเซลฟี่เราเห็นภาพลวงตาซึ่งเป็นภาพมุมเดียวองศาเดียวที่เราสวยที่สุดและภาพหลวงตานี้ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่เป็นสิ่งของที่เที่ยงแท้ ในสังคมวัยรุ่นหรือสังคมของเยาวชนไปจนถึงอายุ40นะครับปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าตัวตนออนไลน์นั้นมีบทบาทมากกว่าชีวิตจริงตัวตนออนไลน์ของเรานั้นมีบทบาทมากกว่าชีวิตจริงโดยทั่วโดยทั่วโลกแล้วภาพเซลฟี่ส่วนใหญ่นั้นแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่บ่งบอกถึงความดูดีความเก๋ความเท่ความน่ารักหรือแม้กระทั่งความดังของตนที่วัดจากการกดไลค์ เป็นเรื่องของแฟนตาซีครับเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกที่เราออกมาเป็นหน้า ก, ากากที่เราอยากจะให้คนอื่นเห็นในมุมมองจิตวิยานั่นเ็าเรียกว่าเป็นสังคมหรือเป็นความสนใจที่หลงตัวเองนะครับภาษาอังกฤษใช้คาว่าดิจิทัลนารซิสซมก็คือการหลงตัวเองลทัทธิความหลงตัวเองได้บังเกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนและของคนทั่วๆไปเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานะครับ ผูกพันอยู่กับการหลงตัวเองหรือภาพลวงตาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แต่พระเจ้าสอนอยังไงครับพระเจ้าสอนให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรที่จิตใจพระองค์ไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตารูปกายภายนอกพระองค์ทอดพระเนตรจิตใจของเราพระองค์ดูแรงจูงใจของเราพระองค์ทรงรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเองและพระองค์ทรงรักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองเสียอีก เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองเราจะต้องพิจารณาตัวเองในพระคัมภีร์2โครินธ์13นั้นทําให้เรารู้ว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูตัวตนภายในของเราครับพระเจ้าได้ทรงเข้าใจเรามากกว่าที่เราเข้าใจตัวเองเรามองดูตัวเองนะครับเราเห็นใครในเซลฟี่เหมือนกับเรามองดูที่กระจกเราเห็นใครครับเราเห็นพระเยซูไหมครับหรือคนอื่นมองเซลฟี่ของเรานะครับคนอื่นมองเห็นพระเยซูห ร, รือเปล่าครับ เหมือนอย่งที่คนอื่นมองดูตัวเราเพราะเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วตามพระฉายาของพระเจ้าตามพระฉายาของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะอะไรครับเมื่อเขาเห็นเราเมื่อเขาเห็นเซลฟี่ของเราเขาจะสรรเสริญพระเจ้าเขาจะรู้ว่าเรานั้นเป็นลูกของพระองค์เขาจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปชีวิตของเราถูกสร้างใหม่และนี่คือความหมายของว่าเราเห็นใครในเซลฟี่เป้าหมายของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับก็คือเปลี่ยนเราให้เหมือนกับพระเยซูคริส พี่น้องครับเป้าหมายที่พระเจ้ามีกับเราก็คือเปลี่ยนเราให้เหมือนพระเยซูคริสต์เป็นน้ำพระทัยที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในลูกของพระองค์เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเซลฟี่ตัวเองตลอดเวลาให้เราพิสูจน์ตัวเองให้เราพิจารณาตัวเองเพื่อพระเจ้าจะพอพระทัยชีวิตของเราขอยพระวิญญาณทำให้เราเห็นนะครับเห็นแบบไหนครับพ si ี่น้องครับเห็นในระดับ full hd full hd ก็คือ full นะครับอะไร hd ก็คือ high definition นะครับให้เราเห็นละเอียดเข้าไปนะครับ ถึงถ้าเราดูภาพยนต์เนี่ยนะครับถ้าเราเห็นใบหน้าของดาราเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าตรงไหนมีสิวมีกระมีขนนะมีหนวดนี่ครับคือสิ่งที่เป็น full hd เพราะวิ ญ, ญญาณของพระเจ้าจะช่วยเราให้เราเห็น full hd สะท้อนกลับไปในตัวของเราเองเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่เราต้องเซลฟี่ตัวเองนะครับพมพีพูดชัดเจนในมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึงิามพมีพระเยซูสอนว่ามิใช่ทุกคน ที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบตัติตามพระไทยของพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์นั้นถึงจะเข้าได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ผีเรียกร้องพระเยซูเรียกร้องว่าให้เราดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้หรือเปล่า เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นมากร้องแกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจะนะในพระนามพระองค์ได้ขับผีในพระนามพระองค์และได้กระทําการมาสจันเป็นอันมากในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อ น, นั้นเราจะได้กล่าวกับเขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราถ้ามีวันหนึ่งนะครับมีบางคนต้องเจอแบบนี้ชีวิตของเขาเนี่ยน่าเสียดายเสียใจเป็นที่สุด เพราะพระเยซูไม่รู้จักเขาถามว่าพระเยซูรู้จักใครครับพระเยซูรู้จักผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดานั่นหมายความว่าเมื่อเราเซลฟี่ตัวเองเราจะต้องดูเห็นคนที่พร้อมที่จะเชื่อฟังทําตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นครับทุกครั้งที่เราเซลฟี่ตัวเองหรือทุกวันที่เรายือนอยู่นะครับที่กระจกเราต้องถามว่าเราพร้อมไหมที่จะทําตามและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า พร้อมไหมที่จะทำตามพัฒน์ไทยของพระเจ้าเพรา้อมไหมที่จะทําตามวัตถุประ ส, สงค์ที่พระเจ้าสร้างเรามาและเรียกเรามาเลือกเรามาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากพระเนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับสองโครินธ์ที่สิข้อที่สามข้อสข้อที่หครับจงพจิจารณาดูตัวเองของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชนสูตรตัวท่านเองเถิดท่านไม่สํานึกหรือว่าพระเยซูกิต ท, ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชนสูตรพี่น้องครับคำว่าพระเยซูกิต ทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายนั่นแหละครับคือเซลฟี่เซลฟี่แล้วเห็นพระเยซูที่อยู่ในตัวของเราเซลฟี่คือเห็นพระเยซูชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมาก ข, ขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อผ่านไปทุกวันทุกสัปดาห์ทุกปีเราเห็นพระเยซูในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าพระเยซูทิดทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชันสูตรนั่นหมายความว่ามีบางคนนะครับก็ไม่ผ่านมองไม่เห็นพระเยซู อะไรที่เราเห็นในเซลฟี่ครับคำตอบก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เท่านั้นบทเรียนบทที่สองครับเราจะเห็นความไม่สมบูรณ์แบบเรียกว่า imperfect ความไม่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นสิ่งที่เราจะเห็นนอกจากเห็นพระเยซูอยู่ในตัวของเรานะครับประการที่สองก็คือว่าเราเห็นความไม่สมบูรณ์แบบบุคคลที่ยืนอยู่ตรงนี้ภาพที่ท่านเห็นนี้เราเห็นความไม่สมบูรณ์แบบ ความเป็นจริงที่ไม่สมบูรณ์แบบนั่นก็คือความบกพร่องในชีวิตของเราความบาปในชีวิตของเราในทางบวกนะครับสื่อนะครับหลายๆสื่อนี่เห็นว่าการที่เซลฟี่ชีวิตจริงนะภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนการแสดงหนังก่อนเมคอัพนะก่อนถ่ายทํานี่ยนะครับไลฟ์สไตล์วันธรรมดาของคนต่างๆนั้นเป็นการเปิดเผยความจริงให้กับคนทั่วไปว่าแท้จริงแล้วดารารที่ชื่นชอบเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นส่วนตัวเป็นยังไงบ้าง พี่น้องครับความเป็นตัวตนที่แท้จริงและไม่สมบูรณ์แบบนะครับมีมากมายมหาศาลในชีวิตของพวกเรามีมากกว่ามิติที่เราเห็นผ่านหน้าจอของดาราทั้งหลายนะภาษาทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาถ่ายภาพมาแล้วนะครับพี่น้องสังเกตดูเขาจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่ r e t o u ว่ารีทัชรีทัชก็คือว่าการแต่งรูปนะครับการแต่งรูปเนี่ยให้คนไม่สวยเนี่ยสวยได้ การแต่งรูปให้เงานะต่างๆที่ไม่พอใจเนี่ยให้มันสว่างขึ้นมาได้ให้เห็นชัดได้นี่ครับคือการ retouch การแต่งรูปนี่นครับบทเรียนการ retouch เนี่ยมีอยู่สองอย่างก็คือว่า retouch เพื่อที่เราจะไม่ให้เห็นความบกพร่องของเรา บทเรียนประการที่2ก็คือว่าให้พระเจ้ารีท uch ชีวิตของเราเพื่อให้สิ่งต่างที่เป็นมลทินสิ่งต่างที่ยมันมืดมืดนั้นออกมาเป็นความสว่างและพระเจ้าจะสามารถเปิดเผยจริงต่างเหล่านี้ให้คนอื่นเห็นได้ว่านี่คือความบกพร่องของเราและไม่สมบูรณ์แบบของเราแต่เมื่อเรายอมให้พระเจ้ารีทัชนะครับยอมให้พระเจ้ารีท uch ชีวิตของเรานั้นจะสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับหลายหลาครั้งทีเดียวคริสเตียนที่รู้ตัวเองว่าตนไม่สมบูรณ์นั้นเขาจะได้พระพรมากกว่าคนอื่นครับ และพระเยซูสอนว่าถ้าบุคคลผู้ใดรู้รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเขาจะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เขารู้ว่าตัวเองเขานั้นบกพร่องเพราะฉะนั้นเขาแสวงหาความสมบูรณ์แบบชีวิตของเราก็สมควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับหลายหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าก็ตีสอนเราในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบสองข้อที่หพระเจ้าตีสอนเราให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ขอเชิญพี่น้องอ่านพร้อมกันดีไหมครับฮีบรูบทที่12ข้อที่หเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตรีสอนผู้นั้นพระเจ้าตรีสอนลูกที่พระเจ้ารักครับและคนที่ไม่ใช่ลูกของพระองค์พระองค์ก็ไม่ตีสอนเพราะฉะนั้นหากว่าเรานั้นได้รับการตรีสอนจากพระเจ้าบางครั้งความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นอย่าง ไม่รู้เหตุรู้ผลนะครับไม่รู้ที่มาที่ไปเราจะต้องถามพระเจ้าว่านี่คือการตีสอนการที่พระเจ้าสอนเราหรือเปล่าพี่น้องครับเมื่อเราตีสอนนะครับคนคนนั้นเนี่ยต้องรู้สึกว่าพระเจ้ากําลังตีสอนและเมื่อพระเจ้าตีสอนผู้ใดแสดงว่าพระเจ้าก็รักและรับคนนั้นเป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นคริสเตียนนั้นถามว่าเรากลัวการตีสอนไหมกลัวอยู่ครับนะ แต่ขอห้ยาให้การตีสอนนั้นเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าพระเจ้ากําลังตีสอนเราและนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจมากหลายครั้งทีเดียวนะครับบางคนป่วยอย่างเรื้อรังเพราะบางสิ่งบางอย่างพระเจ้ากําลังตีสอนเขาให้เขาออกจากความผิดความบาปหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ดีบทเรียนตรงนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าเรานั้นไม่สมบูรณ์แบบ เราจะต้องมีเป้าหมายในการเดินชีวิตของเราดําเนินชีวิตของเราเข้าไปอยู่ในความสมบูรณ์แบบทุกวันทุกวันมากขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วเราเห็นว่าเราไม่สมบูรณ์แบบใครที่พิจารณาตัวเองและรู้ว่า <S <S ตัวเองไม่สมบูรณ์แบบนั้นเรากําลังได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับจากความไม่สมบูรณ์แบบพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับก็ CUBE. คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูสัญญาไว้นะครับว่าพระเจ้าตั้งเป้าในชีวิตของเราว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์นั้นสูงสุดเลยนะครับคือความครบบริบูรณ์สมบูรณ์แบบเห็นพระเยซูนะครับจากอิมเพอร์เไปถึงความเป็น Per ร์เฟและด้วยเหตุนี้ครับพอจะนั้นพระเจ้า2โครินธ์ที่5ข้อ17หลายท่านท่องได้นะครับ2โครินธ์ที่5ข้อ17ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องครับหลักฐานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้ามาสามเดือนหเดือนนะคสามปีห้าปีถามว่าชีวิตของเรานั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบ้างการพัฒนาจิตจวิญญาณของเราเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรือเปล่าเรารักพระเยซูมากขึ้นหรือเปล่าเราดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นหรือเปล่าเราดำเนินชีวิตแาถวายตัวรับใช้พระเจ้าปรินิพพานตัวต่อพระเจ้าจริงๆหรือเปล่า เพครับนี่ครับคือการเซลฟี่ตัวเองเราต้องพิจรารณาตัวเองพิสูจน์ทราบว่าแท้จริงแล้วการดําเนินชีวิตของเราการเติบโตฝ่าแยงของเรานั้นอยู่ในดีกรีไหนนะครับอยู่ในเกรดเท่าไหร่และเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะต้องมุ่งหน้าต่อไปในพระธรรมหนึ่งยอ์นบทที่2ข้อที่3ามถึงข้อที่5้นะครับพระวจนะพระเจ้าได้อ่านอย่า ง, งนี้ว่าเราจะมั่นใจได้ว่าเราคุ้นกับพระองค์ในขอน้อนี้คือถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนที่พูดมุสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยเพราะเจ้าน้นของพระเจ้าทําให้เรารู้ว่าเราหลอกพระเจ้าไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่หลอกพระเจ้านะครับมักจะบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักกับพระเยซูดีนะเคยศึกษวัฒนาหรอข้าพเจ้ามาหลายสิบปีแล้วข้าพเจ้าเป็นคนคุ้นเคยกับที่นี่เป็นลูกหลานของที่นี่แต่ชีวิตของเขานั้นไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้านี่คือการ มุษาความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยเพราะเขาคุ้นเคยกับสถานที่คุ้นเคยกับโบสถ์แต่ไม่ได้คุ้นเคยกับพระเยซูเราจะคุ้นเคยกับการรับใช้จนทั่งเราหลงตัวเองว่านี่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ครับแต่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นชีวิตที่ดําเนินตามน้ามัธยของพระเจ้าต่างหากครับพี่น้องครับผมขอย้าเน้นที่นี่ว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นชีวิตที่ดําเนินตามน้ำมไทยของพระเจ้านั่นแหละคือความคุ้นเคยการมีสามัคคีธรรมกับพระเยซูอย่างแท้จริง ผู้ใดที่ประพฤติตามพจน์ของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระเยซูพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราจะตรวจสอบตัวเองเซลฟี่ตัวเองพิจารณาตัวเองพิสูจน์ตัวเอ ง, เองหมายความว่าเรานะครับจะต้องรู้ว่าเรากําลังดําเนินอยู่ในศูนย์กลางแห่งหน้ามัทไธรของพระเจ้าต่างหากครับ ทำให้เรามั่นใจว่าเราอยู่ในพระองค์นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากครับถ้าเราไม่ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้ามีความเป็นไปได้อย่างสูงครับว่าเราไม่ได้คุ้นเคยกับพระเยซูและมีความเป็นไปได้เป็นอย่างสูงครับว่าเราไม่รู้จักกับพระองค์เลยเรารู้จักแต่ศาสนาเรารู้จักแค่เสียงต่างที่คิดว่าเราจะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างให้สังคมดีนะ เราอาจจะเข้าถึงการรับใช้พระเจ้าในลักษณะของการที่ทำคุณงามความดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่ไม่ได้คุ้นเคยกับพระเยซูไม่ได้คุ้นเคยกับพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังทำในวิถีของเราเรายังมีมีชีวิตดาเนินอยู่ในแบบอย่างเดิมๆของเราเพราะวจนะของพระเจ้าก็ยังให้กาลังใจว่าใครก็ตามที่มีความภาคเพียรพยายาม นะครับจนถึงที่สุดภาษาอังกฤษว่า perseverance ความภาคเพียรพยายามจนถึงที่สุดบากบั่นมุ่งไปถึงหลักชัยคนคนนั้นจะต้องมีความอุตสาหะวิริยะหรือเราเรียกว่ากัดไม่ปล่อยพิจารณาการสแสวงหาการที่ชีวิตของเรานั้นจะพัฒนาสู่ความสมบูรณ์นะครับเราต้องปล้ำสู้กับตัวเก่าของเราเราต้องปล้ำสู้และกัดไม่ปล่อยในการที่พระเจ้าจะชาระ ชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ในการที่เราเชื่อฟังพระเจ้ามีความเพียรพยายามมีความริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงเพื่อที่เราจะปักบัน่นมุ่งไปสู่หลักใยแต่สิ่งที่ดีกว่าสําหรับเรามากกว่าศาสนาอื่นหรือหลักคําสอนอื่นก็คือว่าเรามีพระผู้ช่วยครับเรามีพระผู้ช่วยที่ช่วยเราเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะสร้างแรงจูงใจและเสริมกําลังเห้่อาแรงของราา่างไรในส่วนที่เราทําไม่ได้ เพราะว่าเรานั้นยังไม่สมบูรณ์ยังพร่องอยู่ด้วยเหตุนี้เองเราต้องรู้สํานึกและตระหนักว่าพราะวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะสามารถช่วยเราได้ด้วยการที่เราอธิษฐานวิงวอนกับพระองค์เป็นประจําเป็นประจําและสม่ําเสมอพี่น้องครับหลายหลาครั้งทีเดียวเราปรัําสู้กับนิสัยเก่าๆของเราเราปรั้มสู้อยู่กับความคิดเก่าๆของเราเราปรั้มสู้อยู่กับทัศนคติและท่าทีเก่าๆของเรานะครับและเราเอาชนะมันไม่ได้สักทีผมอยากจะบอกพี่น้องว่าหนุนใจครับ ว่าพวกเราทั้งหลายทุกคนจะต้องคุกเข่าลงอธิษฐานอธิษฐานขอพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเสริมกําลังให้กําลังใจสร้างแรงจูงใจให้กับเราและตรงนี้นี่เองทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนครับเนื่องจากเรารู้ว่าเรายังไม่สมบูรณ์เราจะมุ่งแสวงหาชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และบังเกิดผลของพระวิญญาณในระยะยาวบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่3เมื่อเราเซลฟี่ตัวเองหรือมองตัวเองในกระจก เราเห็นความไม่แน่นอนของมนุษย์นะครับเราเห็นความไม่แน่นอนของมนุษย์ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับในปีสองพันสิ2 0 1มสอง้าสองพที่อยู่ในอนาคตเนี่ยเราเห็นนะครับหปีนะห้าปีหลายๆคนบอกโอ้โห ผ, ผ่านไป5ปีเนี่ยเราแก่ลงเยอะเลยนะแต่เราพยายามเซลฟี่ตัวเองไม่ให้แก่ใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยไปดึงหน้านะไปท face ําเฟซออฟใช่ไหมครับเราเห็นนะครับว่า ในช่วง 2-3 สาวันที่แล้วเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมีดาราหรือผู้ที่มีหน้าตาทางสังคมเนี่ยนะครับพอเข้าไปทำเฟซออฟก็คือปรับเปลี่ยนใบหน้านะกลายเป็นคนละคนเห็นหครับพี่น้องครับเราเห็นความไม่แน่นอนของมนุษย์เมื่อเราเซลฟี่ตัวเองเราเห็นความแก่ความชรานะครับหรือเราเรียกให้เพราะว่าความอาวุโสนะพิธีมีสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผม ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสร่วมรับใช้กับพี่น้องในพิธีสําคัญสองพิธีนะครับพิธีแรกก็คืองานแต่งงานนะพิธีที่2ก็คืองานศพและท่านถามว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ประกอบพิธีมาเยอะต่อเยอะแล้วทําไมคิดว่าพิธีสําคัญสองพิธีนี้เกิดขึ้นเมื่อสองสามวันทีที่ผ่านมาแท้จริงแล้วผมได้ทําพิธีนะครับแต่งงานให้กับคู่สมรสเกือบร้อยคู่แล้ว และก็ผู้ล่วงหลับนะครับก็นับร้อยท่านเหมือนกันแต่สถิติที่ผ่านมาในสองสัปดาห์นี้ก็คือว่ามีคู่แต่งงานคู่หนึ่งนะครับมีอายุรวมกันมากกว่าหนึ่งปีนั่นหมายความว่าเจ้าสาวมีอายุ80ปีและเจ้าบ่าวมีอายุมากกว่า80ปีรวมกันแล้วมากกว่า160ปีนี่คือสถิติของผมครับที่ได้มีโอกาสประกอบพิธีในพระวิหารของครือจักรพัฒนาแห่ง น, นี้ และอีกพิธีหนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นสถิติของผมก็คือผมได้ประกอบพิธีให้กับผู้ล่วงลับซึ่งท่านมีอายุ99ปีจัดไปเมื่อสองคืนที่แล้วพี่น้องครับความไม่แน่นอนของชีวิตเกิดขึ้นได้ใครจะคิดครับว่าผู้เอาจรอายุ80ปีท่านจะแต่งงานกันได้ใครจะรู้ครับว่า ชีวิตของเราจะอยู่ถึงเก้าสิบปีเกบเปีและเมื่อวันสองวันที่ผ่านมายังทราบมาว่าท่านผู้โสท่านหนึ่งที่หลายท่คนเคารพนับถือนะครับได้สูญเสียลูกชายไปนี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตไม่แน่นอนของมนุษย์ทุกวันเราชะลาภาพลงทุกวันเรามีความอาวุโสมากขึ้นรูปแบบของการใช้ชีวิตแต่ละเจเนเรชั่นแต่ละรุ่นนั้นก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองคุณสยจของเรานะครับ มีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งคือว่าอนุชนของเราเนี่ยไม่มากเท่าที่ควรนะแต่เรามีไวยอสโสมากนะครับมีไวยอสโสมากเพราันเอกลักษณ์ของผู้โโสนั้นก็คือเราจะต้องนมัส ก, การพระเจ้าด้วยความนิ่งสงบนะครับด้วยความรู้สึกยำเกรงพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเอกลักษณ์ของผู้โโสนั้นก็อาจจะไม่ค่อยยอมรับกระแสใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะแต่พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราจะเห็นนะครับว่า การโพสรูปเซลฟี่นะครับพอโพสไปเรื่อยโพสตไปเรื่อยทุกคนก็โพสต์กันปรากฏว่าโพสต์แต่ตัวเองรูปซ้ําๆกลายเป็นเรื่องน่าเบือ่อนะครับเรื่องน่าเบือ่อเพราะฉะนั้นพวกเทรนเซตเตอร์นี่ก็คือคนที่มานั่งกําหนดเทรนด์ต่างๆในอนาคตเนี่ยก็บอกว่าเราจะต้องหาวิธีใหม่ๆทําไงครับหาวิธีใหม่ๆในการแสดงออกความเป็นตัวตนของตัวเองที่แท้จริงแล้วเอาตัวตนมาโพสตผมเห็นด้วยนะครับพี่น้องครับถ้าเราจะโพสต รูปของตัวเองแล้วบอกว่าคนคนนี้เคยเป็นคนบาปมาก่อนและพระเจ้าช่วยเขาให้เขาเนี่ยได้รับพระคุณของพระเจ้ามีประสบการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นครับพี่น้องครับถ้าเราโพสเรื่องราวฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณซึ่งเราพึ่งในพระคุณของพระเจ้าเป็นพระพรของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในเฟ c e b o o k นี่นะครับพี่น้องพี่น้องจะเห็นว่าอาจจะไม่มีคนกดไลค์แต่คนอ่านนะครับแม้ว่าเขาจะไม่กดไลค์ แต่ถ้าเขาได้อ่านและเขารู้จักชีวิตของเราจริงๆเขาจะเห็นความบกพร่องของเรารเขาจะเห็นพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเขาจะเห็นความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงของชีวิตและตรงนี้นะครับเป็นเหตุที่ทำให้เขาจะได้กํำลังใจเราเองอาจจะผ่านประสบการณ์บางอย่างครับและเราโพสเข้าไปใน Facebook ของเราว่าพระเจ้าช่วยเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีใหม่ในการแสดงออกความเป็นตัวตวนที่แท้จริงของเรา นในพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่4ขนะ้อ16เราจึงไม่ยอมท้อแท้ถึงแม้สังขารภายนอกจะเสื่อมโทรมไปแต่จิตใจภายในของเราได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในทุกๆวันเมื่อเราเซลฟี่นะครับเห็นตัวเองและเราโพส์เข้าไปอยู่ใน Facebook หรือ i n s t a g r กรพี่น้องครับคนที่มองชีวิตของเรานั้นเขาจะเห็นอะไรครับอาจจะเห็นความอาวุโสูงเรา นะครับอาจจะเห็นความชราภาพของเราแต่เขาเห็นว่าชีวิตของคุณนา้าคุณป้าคุณลุงคุณตาคุณปู่คนเนี้ยนะครับถูกสร้างใหม่ทุกวันเขาเห็นชีวิตของพี่เลี้ยงเขาเห็นชีวิตของทีมงานศรีบาลเขาเห็นมัคคุ ย, ยกเขาเห็นผู้ปกครองบอกว่าบุคคลเหล่านี้ถูกสร้างใหม่ทุกวันอาเมนไหมครับพี่น้องถูกสร้างใหม่ทุกวันครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ยอม ท้อแท้เราไม่ท้อใจเราไม่ยอดทอ้อแม้ว่าสังขารภายนอกจะเสื่อมสทรมไปแต่เห็นข้างในเมื่อเราเห็นเซลฟี่เมื่อเราเห็นรูปภาพตัวเองข้างในนั่นคืออะไรครับนั่นคือชีวิตใหม่นั่นคือจิตใจที่ถูกสร้างใหม่พี่น้องครับเวลาที่เรารอเล่นเรื่องการมีอายุมากขึ้นนะถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะครับบางคนอายุ82บอกว่า28นะ เราร้อกันเล่นเวลาอายุมากขึ้นนะครับเรายอมรับในร่างกายที่ที่แก่ขึ้นถามว่าเป็นเรื่องยากไหมถามว่ายากไหมคําตอบคือยากครับแต่เพราะเรารู้ว่าเรานะครับร่างกายของเรานั้นไม่ได้เป็นอมตะนะครับเราไม่สามารถทําสิ่งที่เราเคยทําได้มาก่อนนะครับในฐานะเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าการมีอายุมากขึ้นแสดงว่าเราใกล้ถึงเวลากลับบ้านแล้วเป็นเวลาที่พระเยซู ให้ร่างกายที่เป็นนิรันด์กับเราแล้วร่างกายนั้นจะไม่เน่าเปื่อยร่างกายนั้นจะไม่ผุพังให้กับเราพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าช่วยเราให้เรารู้ความจริงนี้นะครับเรื่องร่างกายภายนอกของเราและเป็นเครื่องเตือนถึงสิ่งสำคัญที่สุดในสวรรค์คือชีวิตนิรันด์พระวิญญาณบสุจะช่วยเราครับเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือองค์พระเยซูคริส ให้เราพร้อมที่จะกลับบ้านในสวรรค์ได้ทุกเวลาพี่น้องครับในการเทศนางานศพนั้นมักจะพูดกันอยู่เสมอนะครับบอกว่าโรงศพนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับคนชราอย่างเดียวแต่มีไว้สําหรับคนทุกเพศทุกวัยนี่คือสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายซึ่งหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเริ่มท้อถอยแล้วนะครับร่างกายภายนอกเริ่มเสื่อมโทรมระบบต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับมีคําอธิษฐานซึ่งผมอยากจะ นำพี่น้องอธิษฐานนะครับคําอธิษฐานนี้นะครับนะมีเนื้อหาอย่างนี้ครับพี่น้องที่รู้สึกว่าตัวเองอาวุโสแล้วนะครับรู้สึกเริ่มชราภาพแล้วนะอให้อธิษฐานอย่างนี้พระเจ้าผู้ทรงฤทธิอำนาจขอบคุณพระองค์สําหรับอายุที่เพิ่มขึ้นข้าพระองค์สารภาพว่าไม่ค่อยชอบความแก่แต่ข้าพระองค์ขอบพระคุณ ที่ในแต่ละวันข้าพระองค์แก่ขึ้นข้าพระองค์ก็ใกล้ที่จะกลับบ้านมาหาพระองค์ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะไม่กลายเป็นคนแก่ที่มองคนในแงล่ลบหรือมีแต่ความขมขื่นขอทรงโปรดฟื้นฟูข้าพระองค์และใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรให้คนอื่นๆที่ต้องการหาทางกลับบ้านมาหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าซีเนียร์มินิสทรีนะครับก็สอนให้อธิษฐานทุกวันทุกวันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอายุที่เพิ่มขึ้นสารภาพาว่าไม่ค่อยชอบความแก่เท่าไหร่แต่ขอพระเจ้าช่วยที่จะไม่กลายเป็นคนแก่ที่มองคนในแง่ลบหรือมีแต่ความขมขื่นขอทรงโปรดฟื้นฟูชีวิตของฉันและใช้ฉันที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่น ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับช่ว่า The Intern Intern น, นี่นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมประทับใจมากทีเดียวเรื่องหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องนั้นคือเป็นเรื่องของผู้อาวุโสท่านหนึ่งอายุ70ปีวันหนึ่งครับเขาพบประกาศที่หน้าร้านบอกว่ารับสมัครเด็กฝึกงานรับสมัครเด็กฝึกงานที่มีอายุ 65ปีขึ้นไปทํางานในบริษัทท่านผู้วุโสท่านนี้ได้เห็นประกาศนี้นะครับโอ้โหท่านมีความตื่นเต้นมากเลยถ่ายรูปตัวเองนะครับเซลฟี่นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอตัวเองนะครส่งไปที่บริษัทนี้ปรากฏว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ขายเครื่องประดับขายชุดนะครับขายแฟชั่นให้กับผู้หญิงนะวันแรกเลยครับที่พระเอกเนี่ยเดินเข้าไปที่ทํางานทุกคนเรียกว่าลุง ลุงมาทำอะไรที่นี่เขาบอกว่าผมเป็นเด็กฝึกงานอินเทร์นนะเด็กฝึกงานแล้วก็เจ้านายของคุณเป็นใครจับฉลากไปฉลากมานะเจ้านายของเขาเนี่ยเป็นประธานบริษัทครับประธานบริษัทนี่อายุ20กว่ากว่าเนี่ ย, ยแล้วก็เทกแรกนี่นะครับประธานบริษัทให้เข้าใจว่าลุงคนนี้คงจะใช้การไม่ค่อยได้นะก็เขียนเข้าไปหาหัวหน้าของลุงบอกว่าช่วยย้ายลุงคนนี้ไปไปที่อื่นะ ถ้าให้ลุงคนนี้อยู่นะนะก็ขอให้เขาเนี่ยทำไงก็ได้ให้ลาออกไปนะแต่ในที่สุดครับลุงคนนี้พิสูจน์ตัวเองเขาเคยทำงานที่เป็นผู้บริหารของย l l o w พ a g e s ที่พี่น้องครับย e l l o พ Pages นี่ทุกวันนี้มีไหมครับไม่มีครับมันหมดยุคตกสมัยไปแล้วนะย l โรเพจเชเนี่ยชายหนุ่มอ่ชายหนุ่มตอนนั้นนะครับเขาทำงานที่นี่จนทั้งเขาแก่และออฟฟิศ นะครับออฟฟิศของเยลเปเชียที่ขายไปนะครับก็ขายให้กับบริษัทใหม่ที่เขากําลังมาเป็นเด็กฝึกงานเพราะฉะนั้นความทรงจําเก่าๆนะฮะกลับคืนมาครับบรรยากาศเก่าๆ ก, ก็กลับคืนมาสปิริตเก่าๆ ก, ก็กลับคืนมาเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ผู้วโสท่านนี้ซึ่งอายุ70ปีนะครับมีกําลังใจในการทํางานเขาแต่งชุดนะครับใส่สูทผูกนคไทมาทํางานทุกวันในขณะที่เพื่อนโรงงานเขานี่ ใส่เสื้อทีเชิร์ตนะเป็นวัยรุ่นมากเลยแต่ในที่สุดนะครับถ้าพี่น้องได้มีโอกาสดูหนังเรื่องนี้เนี่ยท่านจะพบว่ามีความน่าสนใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผู้โสโคนนั้นเนี่ยนะเป็นกำลังสำคัญและช่วยให้ครอบครัวของผู้บริหารที่อายุ2 7่สเศษกว่ากว่าเนี่ยนะครั บ, นะรบเขาได้หลุดออกจากการหย่ารางได้กลับมาคืนดีกันนะไม่เพียงแต่ครอบครัวเท่านั้ น, นครับธุรกิจของบริษัทเขาเนี่ยนะครับ ผู้โอโซท่านนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือกอบกู้ขึ้นมาได้อีกมากมายนี่ครับคือคือคุณค่าของผู้โอโซเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้กําลังใจทุกท่านนะครับว่าทุกเช้านะครับเราเข้าไปในห้องน้ําหรือในห้องแต่งตัวของเราเราจะเห็นใครผมอยากจะสรุปนะครับว่าเราจะเห็นใครครับเราจะเห็นพระเยซูในชวิตของเราเราจะเห็นในศึกษาที่ ไม่สมบูรณ์เราจะเห็นความอายุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราซึ่งถามว่าเราจะต้องการพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งย่อนนะครับหนึ่งย่อนบทที่สข้อที่สองเหตุนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญ ญ, ญาณซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่เราในพระธรรมโรมบทที่แปข้อสิบสี่ถึงสิบหเพราะว่าพระวิ ญ, ญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า พระวิญญาณ น, นั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณขององค์หลายว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าสุดท้ายครับเพิ่มผีสุดท้ายที่ผมอยากจะมอบให้กับพี่น้องก็คือเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขานี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าเมื่อเราเซลฟี่ตัวเองนะครับเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราเราต้องการพระวจนะของพระเจ้าที่จะพิสูจน์นะครับตรวจสอบชีวิตของเราและเราจะมีผลของวิญญาณ หรือเราจะมีผลของการกระทําสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราหรือเปล่าคริสเตียนแท้ต้องไม่รีรอที่จะเชื่อและทําตามด้วยความเต็มใจครับคริสเตียนแท้ต้องไม่รีรอที่จะทําตามเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเต็มใจด้วยความเต็มใจนะครับพี่น้องไม่ใช่ด้วยการกลัวการลงโทษนะฮะไม่ใช่ด้วยการฝืนใจไม่ใช่ด้วยคําสงสยัยความคำถามและสงสยัยนะ สงสัยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นอาจจะไม่ถูกใจเรานะครับหรือไม่ใช่จริตของเราที่เราจะชอบทำนะหรือความชอบหรือไม่ชอบของเราและต้องเชื่อฟังพระเจ้าโดยโดยทั้งทั้งหมดสิ้นสุดจิตสุดใจและต้องแถมว่าไม่บ่นด้วยนะครับพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นจะต้องสํารวจตัวเองตลอดเวลา บทเรียนแรกบทเรียนที่2บทที่3คือ1เราเห็นใครในเซลฟี่คําตอบก็คือว่าเราเห็นพระเยซูคริสต์เราจะต้องเห็นพระเยซูคมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบทเรียนที่2ก็คือว่าเราจะเห็นความไม่สมบูรณ์แบบของเรานะครับลดลงลดลงลดลงและบทเรียนที่3ก็คือว่าเราเห็นความไม่แน่นอนของมนุษย์เราเห็นความแก่ความชาราภาพความอุโสหแต่เราเห็นความแน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะขอพระองค์ทรง ไว้พระพรชีวิตของพี่น้องทุกท่านอาเมน